5. อจเจละกาวัค 2. อุยโยชนะสิกขาบทว่าด้วยการส่งกลับเรื่องพระอุปนันทสักยบุตร274สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอุปนันทสักยบุตรได้กล่าวชักชวนสัตวิวิหารกของพระพิชายว่าท่านจงมาเถิด พวกเราจะไปบิณทบาทในหมู่บ้านแล้วไม่ได้ให้ทายกถวายอะไรแก่เธอนิบนกลับด้วยกล่าวว่าท่านจงกลับไปเถิดพูดหรือนั่งกับท่านไม่ทำให้เราสบายเราพูดหรือนั่งคนเดียวสบายกว่าเมื่อใกล้เวลาฉันแล้วภิกษุนั้นไม่สามารถหาบินทบาทฉันได้ทันแม้ไปรับพัตาหารที่เขาแจกในโรงฉันก็ไม่ทันจึงไม่ได้ฉันพัทหาร พระภิกษุนั้นไปถึงอารามจึงเล่าเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุผู้มากน้อยจึงพากันตำหนีประนามโพนธนาว่าฉไนท่านพระอุปนัน tha สักยบุตรกล่าวชักชวนภิกษุว่าท่านจงมาเถิดพวกเราจะไปบิณฑบาตในหมู่บ้านแล้วไม่ได้ให้ทายกถวายอะไรแก่เธอและนิมนต์กลับเล่าครนภิกษุทั้งหลายตำหนีท่านพระอุปนัน t h สักยบุตรโดยประการต่าง